ปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันบ้างหลายคนเที่ยวแต่วัดเมือนหลวงพ่อนะสมัยเป็นโยมวันหยุดไ ม, ม่ไปอื่นไปแต่วัด่ากเก็บวัลลาไปได้ไม่ลาไปที่อื่นเวลามีวันหยุดราชการเรากวลาหัวลาท้ายอย่างี้ได้สักสิบวันไปอยู่วัด ปีหนึ่งได้สองสามรอบอาศัยช่วงเวลาอย่างเนี้ยคนอื่นเข้าสนุกสนานนะเราพอนาบปโูกาสได้เข้าวัดยาวๆเป็นคารวะธรรมาหากินหาเวลาไปภนาวนานานหายากปีหนึ่งปีหนึ่งมีไม่กี่รอบที่จะไปได้ แต่ว่าหลวงพ่อก็แบ่งนะแบ่งเวลาไว้ทุกเดือนเมื่ก่อนนี้ขึ้นไปขอราชาพระพุทธเดนละครั้งแต่หลังเลิกเพราะว่าท่านไม่สบายท่านหลบไปอยู่ที่อื่นอยู่วัดไม่ได้นะดูพระน่าสงสารขนาดไหนยอมไม่ยอมให้ท่านอยู่เฉยๆบุกตลอดเวลาเลยลท่านก็เมตตา หลวงพ่อเคยเจอเลยหลวงพ่อพุดนะขนาดรูปศิษย์นะอุตส่าห์ไปทํารั้วกั้นกุฏิท่านไว้สูงมากเลยรั้วนั่นนะกล่าวว่าไม่ให้โยมเห็นท่านไม่ให้ท่านเห็นโยมด้วย <c oughs> เห็นแล้วท่านอดทนไม่ไหว <c oughs> หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังมันขึ้นหลังคารถอ่ะตะโกนเรียกหลวกโ้่หลงฟัง <c oughs> สุท้ายถ้าต้องไปอยู่ที่อื่นอยู่วัดไม่ได้ซ่อนอย่างก็เราก็รู้จักอาลเัเทศสาก็ดีแล้วนะหลวงพ่ อ, อยังไม่ถึงขนาดมีใครมาตะโกนข้ามรั้วแต่ตะโกนก็ไม่ได้ยินอยู่กลางวัดเลยไม่ได้อยู่ริมรั้วเมื่อก่อนอีะเที่ยวภาวนานะเที่ยวไปวัดแต่ไม่ได้ไปวัดพร่ำเรื่อแบบ มอ่วไปเ ร, อเรือยไม่ใช่ภาวนาเป็นแล้วก็ไปหาครูบาอาจารย์ที่เรามั่นใจได้ไม่พาเราออกนอกร่องนอกรอ ย, ยอก็ภาวนาจนมั่นใจตัวเองแล้วครูบาอาจารย์รับรองแะ mm hmm. ถึงออกไปดูว่าคนอื่นเขาภาวนาอย่างไงเปิดหูเปิดตาพวกเราบางคนเปิดเร็วไปยังภาวนาไม่ได้หลักนะเที่ยวร่อนไปวัดโน้นเข้าออสำนักนี้ หาจานโนอนจานนี้ไปได้มั่วจับหลักไม่ได้สักทีว่าส่วนมากไปเรียนเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ละแห่งแต่ละแห่งนนั้ท่านจะสอนสิ่งที่ท่านทำมาสิ่งที่ท่านนํามามันก็ดีสําหรับท่า น, นอาจจะไม่ดีกับเรามันอยู่ที่จริตนิสัยหลวงพ่ออย่าบุญหลวงพ่อพิเจอหลวงปงู่ดุลย์ หลวงปูด่ดลไม่ใช่ครูบาอาจารย์ชนิดที่ว่าท่านทํำยังไงแล้วท่านสอนเราอย่างนั้นแต่ท่านจะดูว่าเราพาวนามาแบบไหนแล้วสอนต่อยอดให้ครูบาอาจารย์อย่างนี้หายากมากเลยยังไม่เห็นองค์ที่สองอย่างองค์ไหนท่านพาวนาพุทโธมาท่านก็จะสอนแต่พุทโธองค์ไหนธทำอนาพนญสติแล้วสอนอานาปัญสติอะไรเงี้ยยกเว้น ครูบาอาจารย์ที่ท่านทึ้นถึงจุดสุดยอดจริงๆถึงจุดสุดยอดจริงๆนะท่านจะสอนตามจริตนิสัยนี่เราต้องดูตัวเองว่าเราจริตนิสัยของเราเหมาะ ก, กับกรรมฐานอะไรไม่เรียนแบบคนอืนน่นก็ไม่ร้อนเร่จัหลักการปฏิบัติให้แม่นแล้วเอาเวลานี้มาปฏิบัติอย่าเวลาไปเที่ยวมากไป ของเราพอถึงวันนักคัตฤกษ์ก็ออกเที่ยวเอาร่างกายไปเที่ยววันที่เหลือก็เที่ยวทางไซเบอร์โลกอินเทอร์เน็ตท่องเที่ยวไปเรืยมีแต่นักท่องเที่ยวเขาเรียกโคจรโคจรโคจรว่าที่ไปของวัวมันไปทางไหนมันเที่ยวไปทางตา เที่ยวไปทางหูทางจมูกทางลิ <sus Toyota> ้นทางกายทางใจนี um> ่จ <weight incident> ิตมันเที่ยวนะถึงร่างกายไม่ไปเที่ยวจิตก็ไปเที่ยวร่างกายอยู่บ้านนะจิตเที่ยงเที่ยวอีกเที่ยวไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเที่ยวไปแล้วก็ไม่ฉลาดเที่ยวไปเอาความทุกข์เข้าบ้านไปเห็นรูปแล้วก็เอาความทุกข์เข้ามาที่ใจ ไม่ได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสความทุกข์เข้ามาที่ใจไปคิดนึกแล้วก็เอาความทุกข์าากเข้ามาที่ใจนี่เที่ยวแบบไม่ฉลาดถ้าเรามีสติกำกับจิตใจของเราเราคอยรู้เท่าทันจิตใจจิตใจจะสุขจิตใจจะทุกข์จิตใจจะเป็นกุศลอกุศลอรู้เวลาจิตมันท่องเที่ยวไปเนี่ยแทนที่มันจะได้ความทุกข์เข้าบ้านมันจะได้ปัญญามันไม่ได้ฟุ้งซ่านอย่างเดียวมันได้ปัญญาเข้ามา ง้เวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่บังคับตัวเองว่าห้ามคิดนึกปรุงแต่งห้ามดูห้ามฟังอย่าหลับหูหลับตาลูกเดียวอย่างนั้นไม่เกิดปัญญาอยากจะให้จิตเกิดปัญญาก็ต้องพาจิตให้ท่องเที่ยวแต่เที่ยวไปแบบคนฉลาดมีสติกํากับอยู่ไม่เที่ยวแบบคนร่อนเร่จิตไปทางตาแล้วก็ไปเห็นรูป เกิดความสุขให้รู้เกิดความทุกข์ให้รู้เกิดกุศลอะกุศลให้รู้อย่างนี้เรียกว่าเที่ยวไปแบบคนฉลาดมีสติไม่พลาดพลัง้งสิ่งที่ได้มาจากการท่องเที่ยวนั้นได้ประสบการณ์ประสบการณ์ว่าอะไรว่าทุกสิ่งที่ตามมองเห็นนะ่ยของไม่เที่ยงความรู้สึกทางใจที่เกิดจากการเห็นรูปก็ของไม่เที่ยงเหมือนกันยังไปเห็นรูปนี้แล้วสุขความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หาย มทุกอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายตัวรูปเองอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนี่เที่ยวแบบคนมีสติปัญญานะได้ประสบการณ์เที่ยวแบบคนโง่งก็ได้ความหลงระเริงไปปีใหม่ตายไปเท่าไหร่เป็นร้อยมั้งเป็นร้อยไหมพกอยู่โรงพยาบาลนี่เที่ยวไปแบบมีสติมีปัญญานะเที่ยวไปแบบร่อนเร่นเจนจร อนหนึ่งได้แต่ความหลงโลกเที่ยวไปก็หลงโลกอันหนึ่งเที่ยวไปได้ประสบการณ์งั้นเราพยายา ม, มาพัฒนาสติของเรานะคอยรู้เท่าทันจิตใจรู้เท่าทันร่างกายฝึกสมาธิให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว่อจิตใจมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะปล่อยจิตให้ท่องเที่ยวไปทางตะวนันทั้ง6ให้ไปเห็นรูป ให้ไปฟังเสียงให้ไปดมกลิ่นให้ไปลิ้มรสให้ไปรู้สัมผัสทางกายให้มันคิดนึกทางใจไม่ห้ามคิดหลังๆได้ยินไดนะ้อำำ่อยนะชอบทํากรรมฐานอยากคิดอยากคิ ด, คดห้ามคิดจิตมีหน้าที่คิดถ้าห้ามได้ก็จิตเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาไม่เข้าใจหลักของการปฏิบัตินะจิตมันก็คิดไปตามหน้าที่ของ ม, มันตามันมีหน้าที่เห็นรูปอาศัยตา อาศัยรูปอาศัยแสงสว่างอาศัยความใส่ใจนะมณสิการใจเราสนใจที่จะดูมันก็เกิดการกระทบอารมณ์ขึ้นทางตาเกิดวิญญาณทางตาความรับรู้ทางตาเกิดขึ้ น, นองค์ประกอบมันครบก็มองเห็นรูปไม่ห้ามเห็นได้พอเห็นรูปแล้วมันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจนะถ้ารู้ตั้งแต่ตอน มันส่งสัญญาณเข้ามาเรารู้ทันกนะ็จะเห็นกระบวนการทำงานของมันมันมาที่ใจแล้วมันมแปลความหมายของรูปนี่คือรูปผู้หญิงสวยน่ารักอะไรเงี้ยม แ, แปลกความหมายเสร็จมันก็ให้ค่าน่าชอบใจให้ค่าเสร็จก็เกิดราคะหรือให้ค่าเสร็จแล้วก็เกิดโทสะใึ้นี่กระบวนการทางานของใจเราไม่ไปแทรกแซงมัน ตาจะไปเห็นรูปก็ไม่ห้ามเห็นรูปแล้วนะจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจมาแปลความหมายเมื่อเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วก็ไม่ห้ามแต่ให้รู้ทันถ้ามันเกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาเรารู้ทันนะความดีความชั่วก็ไม่ครอบงําจิตนักปฏิบัตินะอย่าว่าแต่ว่าห้ามความชั่วครอบงําจิตเลยความดีก็ไม่ให้ครอบงําความดีเกิดขึ้นนะก็ให้รู้ทันมัน แล้วก็เห็นสภาวะที่ดีๆเกิดแล้วก็ดับมันกะสภาวะชั่วๆนั่นเองถ้าตรงดีตรงชั่วเนี่ยมันสติเราช้าละถ้าสติเราเร็ววบบนี้เราเห็นตั้งแต่มันสุขมันทุกข์ในใจมันมีการให้ค่ามันพอใจไม่พอใจ เ, เห็นพอมันมีความพอใจเกิดขึ้นราค่ า, าก็แทรกมีความไม่พอใจเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นทกสะก็แทก มีความสุขเกิดขึ้นราคาก็แทรกในบางคนเห็นเร็วตั้งแต่เวทนาเกิดขึ้น เ, เห็นตั้งแต่เวทนาเกิดขึ้นนะราคาโทรศามไม่ได้จังหวะแทรกบางคนเร็ ว, วนั้นเองตากระทบปุ๊บรู้สึกถึงการกระทบเห็นได้ว่าการกระทบมันเป็นธรรมชาติธรรมดากระทบแล้วก็ดับไปกระทบแล้วดับไปห้ามมันไม่ได้พวกนี้เร็วมาก ถ้าเห็นอย่างนี้ได้นะก็ไม่ปรุงสุกปรุงทุกข์ทางใจนะเห็นเร็วนี่บางคนนะี่ยลบมากอยากจะตัดวงจรไม่ให้จิตทํางานเลยคอยกําหนดอยู่ที่ตาอย่าเวลาตามองเห็นรูปนะเอาสติกําหนดไว้แถวตานีนะ่กำหนดได้สแบบที่ตาเนี่ยอันที่หนึ่งกำหนดในรูปที่มองเห็นจดจ่ออยู่แต่สิ่งที่เห็นไม่คิดไม่นึกจ้อง เนี่ยเวลาตามมองเห็นรูปก็จ้องอยู่ที่สิ่งที่เห็นจ้องจิตไม่มีความฟรุงแต่งต่อแล้วชีวิตดีไม่ดีหรอกอันนั้นมันแทรกแซงจนกระทั่งมันหยุดปรุงแต่งไปอีกพวกหนึ่งจ้องอยู่ที่ประสาทตาจ้องอยู่ที่ประสาทตาตาเห็นรูปแล้วก็คอยจ้องอยู่ที่ตัวที่รับสัมผัสทางตาอันนี้จิตก็ไม่ทำงานต่อก็ไม่ดีเหมือนกันอีกแบบหนึง่งจ้องอยู่ที่การกระทบทางตา ตามองเห็นรู้ปุ๊บรู้ทันตรงกระทบจงใจรู้เลยจ้องอยู่ที่กระทบนฉีก็ไม่ปรุงต่ออีกพวกหนึง่งคอยรู้วิญญาณทางตารู้จิตที่เกิดที่ตาจ้องอยู่ที่จิตที่ตาก็ก็บอกตรงเนี้ไม่มีกิเลสอยู่ตรงนี้ดีมันไม่มีกิเลสแต่มันเป็นแค่วิบากจิตมันไม่มีกิเลสไม่ใช่ไม่มีกิเลสเพราะสติปัญญา มันไม่มีกิเลสตามธรรมชาติเท่นั้นเองเวลาที่หมามองเห็นรูปนะขณะที่หมามองเห็นนะจิตของหมาก็ไม่ได้มีสุขมีทุกข์ไม่ได้มีกุศลอกุศลอะไรเฉยๆยนะพระอรหันต์มองเห็นรูปก็แบบเดียวกันอนั้นเป็นกลไกปกติที่จิตมันจะไปรับรู้รูปนะเป็นวิบากจิตเฉยๆยไม่มีดีมีชั่วอะไรงั้นถ้าเราไปบล็อกจิตเอาไว้ให้มันหยุดอยู่แค่นั้นนะด้วยความจงใจใช้ไม่ได้ เราไม่แทรกแสงจิตตาเห็นรูปก็ให้มันเห็นหูได้ยินเสียงก็ให้มันได้ยินได้ยินแล้วมันจะให้ค่าก็าช่างมันก็แค่รู้ทันว่ามันให้ค่ามันจะเกิดสุขก็ให้รู้มันจะเกิดทุกข์ก็ให้รู้เกิดดีก็ให้รู้เกิดชั่วก็ให้รู้รู้แล้วมันมีผลต่างไงกับการที่เราไปคอยล็อกอยู่ที่ตาที่หูที่จมกูกที่เล่น้าเราคอยล็อกไปเรื่อยเราจะรู้สึกว่าไม่มีกิเลสแล้วกูกูเก่งกูทาได้ แต่ถ้าเราเห็นกระบวนการเห็นมันทํางานนะเราจะรู้ว่าไม่มีกูเลยกูบังคับไม่ได้สัสกอย่างเลยสุขจะเกิดทุกข์จะเกิดดีจะเกิดช่วยจนะเ ก, กิดนะสุขทุกข์ดีช่วยจะดับสั่งไม่ได้สักอย่างเห็นกระบวนการที่ทําขึ้นมานะเป็นแต่ของไม่เที่ยงเป็นแต่ของบังคับไม่ได้ยินนี้ถึงจะเรียกว่าเรามีปัญญาจริงแต่ถ้าเราคอยกําหนดอยู่ที่ตากําหนดอยู่ที่หูกําหนดอยู่ที่ใจคอยจ้องคอยกําหนดไว้ได้แล้วมันนิ่งๆมันว่างๆแล้วรู้สึกกูเก่งกูเก่ง ใช้ไม่ได้แทนที่จะลดละกิเลสลดละความเห็นผิดมันจะเห็นผิดมากขึ้นว่ากูเก่งกูเก่งมันมีกูขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยกูไม่มีสุขกูไม่มีทุกข์กูไม่มีรอบโกรดหลงก็จ้องอยู่ที่วิบากจิตมันจะไป่มีอะไรแล้วไปจ้องไปเห็นอยู่ตรงชวนะจิตจิตที่สเสวยอารมณ์ตรงนั้นนถึงจะมีงั้นเราไม่เข้าไปแทรกแซงมีตาก็ดูมีหูก็ฟัง มีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็กระทบสัมผัสไปมีใจก็ให้มันคิดนึกไปแต่ว่ามันกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลนอกุศลให้รู้เอาฝึกอย่างนี้เรื่อยๆแล้วจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทุกอย่างบังคับไม่ได้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรสิ่งที่หลวงพ่อบอกให้พวกเราทนะํานียเป็นกรรมฐานที่ใครๆก็ทําไดไ้ใช่ยากอะไร รู้จักโกรธได้ไหมโกรธรู้จักไหมตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่อันนี้สามใช่ไหมอันที่สามสามวันนี้ใครยังไม่โกรธเลยยกมือซิใครยังไม่มีโทสะเลยมีไหมไม่กล้ายกมือเหลือสามวันนี้ใครยังไม่มีโลภะเลยมีไหมหนึ่งนาทีนี้ใครยังไม่หลงเลยมีไหม หลงเอาแคบๆเนี่ยไม่ต้องสามวันเพราะหลงวันนึงไม่รู้กี่หมื่นครั้งใครๆก็รู้จักนั่นโลภโกรธหลงเป็นไงก็รู้จักสุขทุกข์เฉยๆเป็นไงก็รู้จักแค่รู้ทันตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นแค่รู้ทันไปเนี่ยให้ใจมันท่องเที่ยวทางตาหูจมกูกนิ้วก่ใจทเที่ยวไปทเที่ยวไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิ ด, ด, กดชั่วรู้ทันนั่นได้ปัญญา แต่ถ้าท่องเที่ยวไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วไม่รู้ทันนะก็ได้ความหลงได้ความเห็นผิดก็หลงโลกไปหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงสัมผัสหลงเรื่องราวทางใจงั้นไม่ใช่ห้ามไม่ให้ท่องเที่ยวไปทางประวัทนทั้งหแต่ว่าให้มันมีสติไว้มีใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีสมาธิ เสร็จแล้วปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะั้นเป็นของชั่วคราวทุกอย่างบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราให้ฝึกอย่างนี้นะอย่าไปท่องเที่ยวแบบที่ชาวบ้านเขาเที่ยวกันหนาวจะตายชากนะักแล้วขึ้นดอยอินทนนท์อยากจะไปสัมผัสธรรมชาติแห่กันกันขึ้นไปเป็นพันเป็นหมื่นจะสัมาัถธรรมชาตินะหันไปข้างไหนเห็นแต่ไอ้คนกรุงเทพเท่านั้นเลย อยากสัมผัสธรรมชาตินะแต่แต่ละคนน้ำพอกเสื้อหนาไปหนามากเลยไม่สัมผัสหรอกมันสัมผัสอะไรสัมผัสไออุ่นของตัวเองนไม่ได้สัมผัสธรรมชาติเก่งจริงต้องถอดเสื้อออกอยากสัมผัสธรรมชาติไม่แน่จริงเนาะแต่อย่าแน่เลยเดี๋ยวตายอากาศเย็นจัดๆนะถ้าลมโกรกนะแพ้เดี๋ยวตายเลย ฟังเสียงฟังแล้วดูใจมันไหวเห็นไหมใจมันเรื่อยๆตามเสียงนะตอนกระทบน้ำมันหนึ่งนะตอนที่มันระคังมันคลางเนี่ยใจเราก็วิวๆิๆๆตามไปด้วยเนี่ยดูธรรมชาตินี่ไม่ใช่เฮ้ยเขาจะเคาะแล้ว นะใจทื่อๆเลยบอกเนี่ยพระอรหันใจไม่ไหวเลยไอ้อย่างนี้ไม่ได้เรื่องหรอกนะเคร่งเครียดหัวล้าไม่เกลียรู้สึกไหมใจมันเปิดถ้ารู้ใช้ได้ถ้าไม่รู้คือหลงนะคือหลงงั้นพยายามนะพยายามเป็นผู้รู้ขึ้นมาอย่าไปเที่ยวแบบชาวโลกเขาเที่ยวเราเที่ยวแบบนักปฏิบัติ เรารู้ว่าที่เที่ยวก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นที่เที่ยวส่วนชาวโลกเขาที่เที่ยวอยู่ดอยโน้นดอยนี้หน้านี้หนาวๆชอบไปขึ้นดอยดูๆู็น่าสงสารนะอยากาธรรมชาตินะแ ต, แต่รถยนตเต็มภูเขาเลยไปกินข้าวไปอากาหนาวกินข้าวไวหน่อยไม่เป็นไร ไปดูนะไปดูใจเป็นเที่ยวนะไปกินข้าวนี่ก็จะเห็นเดี๋ยวเป็นเที่ยวไปทางตาทางหูทางใจใครรู้ทันใจที่ท่องเที่ยวไปไม่ห้ามนี่หมดเลยครับ